ดีธรรมบัญญายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรมคุณาภร์ปออประยุตโตวัดยาณเวสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่หนึ่งวาเลนไทน์สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ ธรรมะถาเมื่อวันมาคาบูชาวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขอโนมโมธนาที่ท่านทั้งหลายมีศรัทธามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล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 ที่เราเรียกว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติคือโอวาทปาติโมกของวันมาคบุชาเมื่อโยมทาเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรอนุโมทนาทีนี้ในบรรดาบุญกุศลที่ทำทั้งหลายเนี่ยเราบอกว่าชาวพุทธเราบำเพ็ญทานศีลภาวนาอันนี้เป็นการจัดวิธีทำบุญให้เห็นชัดออกมาเป็นวิธีแสดงออก ที่ว่าละชั่วทำดีทำใจให้ฟ่องใสแล้วทำไงละ่ะก็ทำโดยวิธีแบบชาวพุทธที่เป็นขันหัสถ์ท่านก็จำแนกไว้ให้ว่าทานศีลภาวนาทานเราก็เห็นชัดว่าเป็นการปฏิบัติในเชิงวัตถุการให้สิ่งของปัจจัยสี่เห็นชัดเจนแล้วก็ศีลก็คือสมบูรณ์กายวาจาของเราเว้นชั่ว น, นั่นแหละตลอดจนกระทั่งมา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 เสร็จแล้วเมื่อเราทำทานศีลทำความดีทางกายทางาจาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปชำระทำให้เราพัฒนาในด้านจิตใจให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทำให้มีความสามารถที่จะทำความดีในครั้งขาวต่อๆไปรือในการรุ่งหน้าได้ผลดีเจริญงอกงามมีผลกว้างขวางยิ่งขึ้นแผ่ขยายขึ้น อันนี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติเป็นหลักของการทํากรรมนั่นเองก็คือไม่ทําอกุศลกรรมแล้วมาทํากุศลกรรมแล้วก็ทํากุศลกรรมนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อโยมได้เริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็ขอโนโมทนาแต่ก็ขอว่าให้พัฒนาทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้ววันนี้ขอภยัยผู้ก็ตรงๆไม่ค่อยจะไหว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 ได้ยินเรื่อยเมื่อกี้นี้ยังได้ยินโฆศกพูดถึงเลยว่าอ้าวมีวันใกล้และเมื่อวานนี้ได้ยินรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงวันมาคบุชาหรือจะเป็นประธานจัดงานวันมาคบุญชาก็พูดถึงอีกพูดถึงว่ามีวันที่ใกล้เคียงกันเรียกว่าวันวาเลนไทน์แล้วก็ที่ชัดขึ้นไปอีกกรมการศาสนาปีนี้จัดงาน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 พูดถึงก็พูดถึงแบบสบายๆและการเรื่องของวันวาเลนไทน์เนี่ยก็รู้กันว่าเป็นวันที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกชื่อมันก็เป็นฝรั่งถ้าเรียกเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าเซนต์วาเลนไทน์เดย์คือไม่ใช่แค่วาเลนไทน์เพราะว่าตามตำนานก็บอกว่าเกิดจากเซนต์คือนักบุญของฝรั่งของคิศาสนาชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์ อันี้วันนี้ก็สืบเนื่องมาในวัฒนธรรมตะวันตก น, นั่นคนไทยเราก็ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกนี้มาด้วยเราก็มีการฉลองวันวาเลนไทยกันจกนกระทั่งบางทีรู้สึกกันว่าคนไทยนี่จะเอาจริงเอาจังยิ่งกับฝรั่งซะอีกไปไปมานี้ตอนนี้ปรากฏว่าวันวาเลนไทยนี้ไม่เป็นวันสําคัญของฝรั่งซะแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ไม่กี่ปีเนี่ย ทางเจ้าของเรื่องเจ้าของเรื่องคื อ, อไรก็บอกเลยว่าเซนวาเลนไทก็เป็นนักบุญนักบุญที่มาในคิศาสนาก็โดยเฉพาะก็นิกายโรมันคาทอลิกทีนี้ทางสถาบันหรือองค์กรคาทอลิกที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเคยมีวันสำคัญที่เรียกว่าเซนวัเอนไทเดย์เนี่ยก็ได้ประชุมกันมีมติให้ถอดวันวัลเลนไทออกจากบัญชีวันสำคัญทางศาสนาคริส เพราะเขาได้พิจารณากันแล้วเห็นว่าเรื่องวันวาเลนไทน์เรื่องตำนานเส้นวาเลนไทน์เนี่ยไม่มีความชัดเจนหาตัวจริงไม่ได้เล่ากันไปต่างๆนานาคือหมายความเส้นวาเลนไทน์ที่แท้นะ่าไม่รู้ใครแต่ว่ารวมความก็คือว่าเวลาเนี่ยเขาถอดจากบัญชีวันสําคัญทางคริศาสนาไปแล้ววันวาเลนไทน์ก็เลยไม่เป็นวันสําคัญทั้งทา ง, งชาติทงางศาสนาในตะวันตกก็เลยกลายเป็นวันสําคัญ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 ไม่เป็นวันสำคัญทางชาติทางศาสนาทางบ้านเมืองอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้เราพูดไปในเชิงไม่ดีก็เป็นประชดประชันก็อย่าไปประชดประชันเลยก็มองด้วยความเข้าใจเราลองรู้ดูว่าเออคนของเราบางทีบางส่วนก็ลุ่มหลงไปทำตามกันไปอันนี้มองในแง่หนึ่งคนในสังคมไทยเราไม่น้อยเวลานี้ก็ขาดหลัก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 ใช่ไหมเราไม่เคยพูดล่มาถึงยุคที่มีวันววเลนทายเนี่ยเราจึงมาพูดถึงวันมาคาบูชาในแง่ที่เป็นวันแห่งความรักเมื่อวานนี้ได้ยินท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดมีออกวิทยุด้วยก็ยังพูดถึงในธรรมนองนี้แหละว่าวันมาคบูชาเป็นวันแห่งความรักที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความตอนนี้เรา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 เราสามารถพัฒนาความรักเจงกระทั่งอย่างที่ว่าเป็นความรักของพระอาหารหันต์ไปเลยอย่างนี้มันก็ประเสริฐสิเพศศึกษาเนี่ยมันต้องโยงมาที่นี่เนี่ยคิดกันให้ดีนะเพศศึกษาว่าจะมีความหมายแท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนามนุษย์เจงกระทั่งว่าสูงเลิศประเสริฐเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้และมันก็เป็นได้เดี๋ยการโยงมหาความรักเพราะเรื่องเพศศึกษาเพศเนี่ยมันไม่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 เริ่มต้นคนเรานี่จะคิดถึงแต่ตัวเอาแต่ตัวเห็นแก่ตัวพอเริ่มมีความรักจิตใจมันก็เคลื่อนขยายแผ่กว้างออกไปนึกถึงคนอื่นคำหนึ่งถึงคนอื่นเอาแล้วนะมันเริ่มกว้างขึ้นแล้ะเริ่มออกจากตัวแล้วขยายไปก็กว้างขึ้นดีเหมือนกันแต่พอถึงจุดนี้มันเป็นจุดเสี่ยงเป็นหัวรื่อต่อหรือทางแยกมันเป็นหัวรื่ต่ออย่างไรล่ะ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 แล้วก็ในแง่คุณสมบัติในตัวสิ่งนั้นก็จะไปมองแต่ในแง่สิ่งที่จะมาสนองความปรารถนาในการบเรวยความสุขที่ว่านั้นก็เลยเน้นไปด้านของวัตถุเน้นไปที่เรื่องของร่างกายอะไรสรักวาทั้งทงที่ว่าอีกด้านหนึ่งนี่ก็สาคัญนะความรักที่จะมันยั่งยืนเนี่ยต่อไปมันจะอยู่ที่คุณสมบัติส่วนที่สองคือความดีงามของสิ่งนั้นแม้แต่ความมีน้าใจของเขาต่อเรา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 พรพอนึกถึงบุคคล น, นั้นใจเขาก็ไปอยู่กับความดีคุณสมบัติที่ดีของคนนั้นอันนี้ใจของเขาก็เป็นกุศลขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นในฐาพระพุทธศาสนานี่จึงให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากก่อนที่เราจะเข้าไปสู่มรรคพัฒนาขึ้นไปสู่ปัญญาเนี่ยมันศรัทธา ม, มา ก, ก่อนศรัทธานี้เป็นองค์ประกอบเป็นคุณสมบัติสําคัญในการพัฒนาปัญญาในการก้าวเข้าสู่มรรค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 ศรัทธามัตตังเปมมัดตังเนี่นะทําให้อคันตาอับายยังก็ล้กันนะอคันตาอาปบายยังแปลว่าอะไรพระบอกมีศรัทธาเพียงแค่นะคำว่า ม, มัดตังเนี่แปลว่าเพียงแค่แค่มีศรัทธาแค่มีความรักในพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปอบายนี่และเห็นไหมความรักนี่สําคัญแค่ไหนแหละแค่ศรัทธารักพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปอบายแล้วนี่คือเริ่มเข้าสู่มรร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 ใ น, ในการศึกษาก็ควรจะมีคุณสมบัติข้อนี้ที่เป็นที่รักและบุคคลที่จะเป็นที่รักเ เ, กเพราะตัวเองมีความรักมีความรักก็มีความรักแบบเมตตาก็คืออยากให้เขาเป็นสุขแล้วเจ้าตัวเองก็ clay, มีคุณสมบัติที่ดีที่ทําให้เขารักก็คือทําให้เขามีศรัทธาเขารักเขาผูกโยงกับบุคคลที่เขารักได้ศรัทธาศรัทธาก็คือความนิยมชมชื่นแล้วก็กลายเป็นความเคารพความรักนึกถึงได้ใจที่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 หลายของท่านก็เสียชีวิตลงท่านก็ร้องให้ <c oughs> ก็คือเป็นพระโสดาบันเนี่ยยัไม่หมดทุกทุกน้อยลงพระพุทธเจ้าเคยเปรียบว่าทุกโสดาบันเนี่ยถ้าเปรียบกับปุตุชนทั้งหลายเหมือนกับว่าทุกขของคนทั่วไปอย่างปุตุชนนี่เหมือนทุกเท่ากับภูเขาหิมาลัยแต่ทุกของพระโสดาบันนี่เท่ากับก้อนกลวดด้วงกันเล็กน้อยกันเท่าไหรก็ลองนึกดูแต่ว่าขนาดก้อนกลวดนี่พระนางวิสาขาก็ยังร้องให้เลย นีินาวิสาขาท่านร้องให้ก็พรอหลานสิ้นชีวิตไปพระเจ้าเจ้าก็ให้คติเนี่ยหลานคนนี้เธอรักใช่ไหมแล้วก็เขาก็จากไปก็ทุกข์เธออยากมีลูกหลานเยอะไหมแล้วก็ถ้าอยากมีถ้างั้นก็หลานเธอมีมากเช่นว่ามีหลานมากเท่ากับจํานวนคนในมังสวัถีเนี่ยเธอก็คงต้องร้องให้ทุกวันใช่มเพราะฉะนั้นก็ให้คิดดูเนี่ยในเรื่องศรัทธา พระอริยส า, าวิกายอย่างนางวิสาขาก็เลยยังไม่พ้นทุกข์แต่ว่าีท่านสุขมากแล้วเป็นคนที่ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วเอาแล้วต่อไปก็พัฒนาไปได้ปัญญาต่อไปปัญญาก็จะทำให้คนเจริญไปในอริยมหายม์ผลเนี่ยจากกป็โสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีจนกระทั่งในที่สุดก็เป็นพระอระหรันต์พอเป็นพระอระหันต์ก็จะมีความรักที่เหนือศรัทธาและ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 ไม่ต้องขึ้นต่อสถานแล้วก็ยังไร้ทุกข์ด้วยไร้ทุกข์ก็คือว่าท่านรู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแน่ใจกระทั่งว่าวางใจวางจิตได้ถูกต้องหมดที่ว่าไร้ทุกข์อย่างไรพระอาหันต์ก็มีความรักแบบรรไร้ทุกข์ไร้ทุกข์ยังไงครั้งหนึ่งพระอานนท์ไปถามพระสารีบุตรองค์เดียวกันนั่นแหละพระสารีบุตรนี่ก็เป็นพระอัครส า, าวกเป็นพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องมาบ่อยๆ พระอานนุ์ก็ไปถามพระสารีบุตรบอกว่าเนี่ยพระบรมศาสดาสมาสามาสระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต่อไปถ้าหากพระองค์มีอันเป็นไปท่านพระสารีบุตรจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่แสดงว่าพระ อ, อ น, นุนเนี่ยท่านชักห่วงเลยแหละว่าพระพุทธเจ้าในทรงพระชารามากแล้วต่อไปคงจะต้องปรินิพานก็ไปถามพระสารีบุตร พระอ น, น, นุนนิถ้าเป็นโสดาบันเท่านั้นนะระดับเดียวกันนางวิสาขาเนี่นแหละก็ยังมีทุกข์พระพุทธเจ้าจะป ร, ะรินิพานก็ร้องไห้เหมือนกันภาษาดีบุตรตอบว่ายัางไง ร, รู้ไหมภาษาดีบุตรก็ตอบบอกว่าพระพุทธเจ้าพอพระสุทธิ์สดาของเราจะจากไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่เราจะมองว่าท่านผู้มีพระคุณนันยิ่งใหญ่มาเพื่ประโยชน์เพื่อ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 ใช่ไหมเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าฝรั่งเนี่ยถอดเขาแล้วจากบัญชีวันสำคัญานศาสนาคริสต์นี้เข้ามาเมืองไทยถ้าเราไปตื่นเต้นตามมันก็เสียกลายเป็นคนที่หลงเราก็รับได้ปัญญาก็มีเมตตาการุณาด้วยหาทางว่าจะทำไงให้วาเลนไทยมีความหมายที่ถูกต้องถ้ามาเป็นสะพานให้แกมาขบบูชาเลยเราก็เอามาขาบูชาเข้ามาปุ๊บ